อีกอย่างหนึ่งถ้าบุคคลเป็นเวทคูเป็นทีรชนเองไซนนะคือถ้าฉลาดเองอะไรเองเนี่ยนะใครๆในบรรดาส ม, มณะพราหมณ์ย่อมไม่เป็นคนพ่านหมายความว่าถ้าคิดเองเออเอง อ, ออเองแล้ว เ, เป็นเป็นฉลาดเองเนี่ยนะก็ไม่มีใครโง่หรอกเพราะทุกคนก็ก็คิดได้อะแต่คิดอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะภาษาลิบุตรท่านก็นิเทศว่าคําว่าถ้าบุคคลเป็นผู้เลวเพราะคําของคนอื่นไซความว่า ถ้าคนถ้าคนอื่นเป็นคนพาลเลวซามต่ำช้าสกปรกลามกต่ำต้อยเพราะคําเพราะถ้อยคําคือเพราะเหตุนินทาติเตียนค่อนว่าของคนอื่นฉะนั้นจึงเชื่อว่าถ้าบุคคลเป็นผู้เลวเพราะคําของคนอื่นไซ้คําว่าถ้าบุคคล น, นั้นเน่ยเป็นคนมีปัญญาซาม พร้อมกับคำของบุคคลอื่นความว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเลวมีปัญญาสามมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสกปรกมีปัญญาต่ำต้อยพร้อมด้วยคนอื่นนั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าบุคคลเป็นเวทคูคือเป็นทีระชนเองซ้ายบุคคลเป็นทีระชนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามีความรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทาลายกิเลสนะเรียกว่า ถ้าบุคคลเป็นเวทคูเป็นเีรชนเองไซ้มันกันใครๆในบรรดาสมณะพราหมณ์ย่อมไม่เป็นคนพานถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีคนโง่หรอกทุกคนจะฉลาดหมดใครๆในบรรดาสมณะพราหมณ์เนี่ยเป็นคนพานเลวซามตำชาสกปรตกตำต้อยไม่มีคือคนทั้งหมดนั่นแหละจะเป็นผู้มีปัญญาเลิศถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะทุกคนจะฉลาดหมดอ่ะคือถ้าหากว่าจะมีปัญญาเพราะ ด้วยตนเองอ่ะนะพิเศษตัวเองขึ้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญาใหญ่มีปัญญาอุดมมีปัญญาบาวรฉะนั้นจึงชื่อว่าใครๆ ใ, ในบรรดาสามะพรามณ์ย่อมไม่เป็นคนพานนี่ก็ต่อไปว่าชนเหล่าใดย่อมสรรเสริญอื่นจากธรรมะนี้ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้พลาดทางแห่งความหมดจดไม่บริบูรณ์พวกเดรธีกล่าวแม้อย่างนั้นโดยทิฐิมาก เพราะเดียรถีนั้นเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความกำหนัดเพราะทิฏฐิของตนน่ะอธิบายว่าชนเหล่าใดย่อมสรรเสริญธรรมะอื่นจากธรรมะเหล่านี้ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้พลาดทางแห่งความหมดจดเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ความว่าชนเหล่าใดย่อมสรรเสญธรรมคือทิฏฐิปฏิปทามมักอื่นจากธรรมะนี้ นรชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้พลังพลาดคลาดเคลื่อนทางแห่งความหมดจดทางแห่งความหมดจดรอบทางแห่งความผ่องแผ่ทางแห่งความผ่องแผ่รอบชื่อว่าพลาดจากอรหัตผลเป็นผู้ไม่บริบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่เต็มรอบคือเป็นพวกเลวซ า, า, า, ามต่ําช้าสกปรกต่ำต้อยฉะนั้นจึงชื่อว่าชนเหล่านั้นเป็นผู้พลาดทางแห่งความเป็นผู้หมดจดบริคือถ้าใครไปสรรเสริญลัตที่อื่นจากไตรสิกขา จากคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็แสดงว่าเขาพลาดจากอารหัตผลก็พลาดจากมรรคผลนั่นเองคําว่าเดรธีย่อมกล่าวแม้อย่างนี้โดยทิฐิมากนะเขาาที่เขาพูดเขาเขพูดตามอํานาจของทิฐิของเขาอะนะตามความเห็นของเขาคือเรียกว่าทิฐิเรียกว่าติดถ้เจ้าทิฐิเรียกว่าพวกเดรธีพวกเดรธีย่ยยอมกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึกทึ้งทิฐิมากโดยทิฐิมาก คำว่าเพราะพวกเดรัทธีนั้นอ่ะเป็นผู้ยินดียิ่งด้วยความกำหนัดเพราะทิฏฐิอะะ น, น, นก็คือเขาเนี่ยหมกมุ่นเพลิดเพลินกำหนัดติดข้องในทิฏฐิของเขามา ก, กนะเขาเขายึดมากไอความเห็นของเขาอะ่ะไปค้านดูเถอะเนี่ยนะก็พูดถึงธรรมดานะถ้าใครเขาเขาคิดอย่างใดนะลองไปค้านสิ่งที่เขาคิดดูสิเป็นเรื่องเลยนะแม้กระทั่งผู้ที่สอนข้อปฏิบัติเหมือนกันก็ลองไปไ ป, ไปปฏิเสธข้อปฏิบัติที่เขาแนะนําดูสิ เขาจะเป็นเรื่องเลยนะเรื่องใหญ่มากามพวกเดรธีย่อมกล่าวความหมดจดว่ามีในธรรมะนี้เท่านั้นคือมีในลัทธิของเขาเท่านั้นนะนะไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมทั้งหลายอื่นก็เรียกว่าบริสุทธิ์ที่สำนักชั้นที่เดียวะที่อื่นไม่บริสุทธิ์หรอกพวกเดรธีตั้งมั่นแม้อย่างนี้โดยทิฐถมากนะคือเจ้าเดรธีก็บอกว่าเจ้าลทัทธิที่หกสิบสองอยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็กล่าวยืนยันในธรรมะอันเป็นทางลำเนินคือข้อปฏิบัติของตนนั้น อ, อธิบายว่าพวกเดรัจีย่อมกล่าวความหมดจดว่ามีในธรรมะนี้เท่านั้นความว่าพวกเดรัจีกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบในธรรมะนี้ว่าโลกเที่ยง อ, นะอย่างอื่นไม่ใช่อ่ะนะ โลกไม่เที่ยงอย่างอื่นก็ไม่ใช่พรันทุกคนก็จะยืนยันในหลักการหลักที่อ่านะลายลัที่ของตนเองเท่านั้นะนะเพรันจากการศึกษาพระสูตรเนี่ยสิ่งที่เราควรจะคิดมากก็คือให้ตรวจสอบของเราอ่านะของเราเนี่ยทิฏฐิของเราเนี่ ย, เ, เ, ยเป็นไปตามคําสอนไหมก็จะต้องหวาดระแวงเนี่ยนะระแวงทิฏฐิของตัวเองนะระแวงข้อปฏิบัติของตัวเองคือระแวงอ่ะถ้าดีจริงไม่เสียหายใช่ไหมถ้าผิดจะได้เรีบแก้ไข เีย น, นะถ้าเราแวงลัดที่ของตัวเองนะไม่ได้มีปัญหาเลยนะไม่เสียหายนะคือเราแวงว่าจริงหรือเปล่าและจริงเอาอะไรมาเป็นเครื่องตรวจสอบว่าจริงสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดทิฏฐิที่เราคิดอยู่เนี่ยนะจริงทำไมจริงจริ ง, จ ร, งจริงเพราะอะไรเีย น, นะก็เอาหลักการเหตุผลเนี่ยมาเป็นเครื่องตรวจสอบมาวัดมาเช็คเพราะถ้าไม่จริงแล้วหมายถึงเสียหายแล้วเนี่ยนะคำว่ากล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมะทั้งหลายอื่นขอไปนะ ไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมะอื่นก็คือปฏิเสธข้อปฏิบัติของคนอื่นเนี่ยนะความว่าพวกเดรธีนั้นย่อมคัดค้านโต้เถียงวาทะของคนอื่นทั้งหมดเว้นแต่ศาสดาธรรมะที่ศาสดากล่าวหมู่คณะทิฏฐิปฏิปทามักของตนคือกล่าวบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าศาสดานั้นไม่ใช่สัพพันยูคือปฏิเสธรัที่อื่นนะผมไม่ใช่หรอกถ้าสมัยนี้บอกว่าเจ้าลัที่อื่นไม่ใช่อริยะหรอกเหมนกัน คำนั้นไม่ใช่สวากขาตธรรมคำที่เขาสอนเนี่ยนะมู่คณะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติดีที่นั้นไม่ใช่ทิฐิอันเจริญปฏิทาปฏิปทานั้นไม่ใช่บัญญัติดีมักนั้นไม่เป็นมักทําให้พ้นทุกข์ความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบมิได้มีในธรรมะนั้นสาทั้งหลายย่อมไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่พ้นไม่พ้นวิเศษไม่พ้นรอบในเพราะธรรมะนั้น แต่เป็นผู้เลวนะนตำหนิส่งเลยนะเลวสามตามชา้าสกปรกต่ำต้อยฉะนั้นจึงเชื่อว่าไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในธรรมะทั้งหลายอื่นนะปฏิเสธคนอื่นหมดละคำว่าพวกเดียร์ถีตั้งมั่นแม้อย่างนี้โดยทิถิมากนะที่เขายึดแบบนี้ก็ด้วยอานาจทิถีนะทิถิท่านเรียกว่าติดถติดถะ เจ้าทิถีเรียกว่าพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีตั้งมั่นตั้งอยู่เฉพาะภัวพันเข้าถึงติดใจน้อมใจไปในทิฐิมากโดยทิฐิมากฉะนั้นจึงชื่อว่าเดรัจฉีตั้งมั่นแม้อย่างนี้โดยทิฐีมากเพราะเพราะเพราเขาถึงสุดยอดของลทัทธิของเขาอ่ะเนีนะ คำว่าเป็นผู้กล่าวยืนยันทําในธรรมะอันเป็นทางดําเนินของตนความว่าธรรมะทิฏฐิปฏิปทามักเชื่อว่าเป็นทางดําเนินของตนก็คือสิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติของเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันกล่าวมั่นคงกล่าวแข็งแรงว่ากล่าวว่าเที่ยงแท้ในธรรมะอันเป็นทางดําเนินของตนนะอย่างเราเนี่ยอย่าคุณปุณชูเนี่ยคิดไหมว่าตัวเองกำลังทําผิดอยู่ไม่คิดใช่ไหมถูกทั้งนั้นอ่ะนะ ถูกมดอะคนอื่นเขาก็คิดเหมือนเราแต่ทีนี้ถ้าเราเอาสถิติมาจับเนี่ยนะถึงเราสมมุติถึงเราคิดถูกมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดใช่ไหมก็แสดงว่าไม่ได้ดีจริงอ่ะนะก็ถ้าถ้าสอบสวนชีวิตเรานะแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคิดเหมือนเดิมไหมล่ะอ่ะแล้วแต่ละปีเนี่ยมั่นใจตัวเองตลอดไหมมั่นใจตลอดแต่ทําไมาเปลี่ยนนะอะก็แสดงว่าแต่ละปีนั้นไม่ได้ดีจริงอ่ะนะคืออาจจะถูกแต่ว่ามันถูกไม่หม ด, ดไม่บริบูรณ์ ัผู้ที่เจริญหรือผู้ที่ปฏิบัติก็เหมือนกันแต่ถ้ายังเหมือนเดิมทุกอย่างหมดแล้วกิเลสตามเดิมก็แสดงว่าไม่พัฒนาแต่ในขณะเดียวกันนั้นจึงต้องสอบสวนเนี่ยนะเรียกว่าพุทธพจน์บอกว่าจงเตือ่อดจงโจดตนด้วยตนจงเตือนตนด้วยตนเนี่ยนะเรียกว่าจงเพ่งโทษตนด้วยตนเนี่ยนะก็คือไข้ครัวนะ น, นะมีความเสียหายตรงไหนก็ไข้ครันพิจารณาเอา เพราะฉะนั้นพวกเดรธีก็กล่าวความหมดจดว่ามีในลทัทธิของตัวเองเท่านั้นไม่กล่าวความหมดจดวิเศษในลทัทธิของทั้งหลายของคนอื่นเพราะผู้เดรธีที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะตั้งมั่นยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิของตนก็เลยกล่าวยืนยนันกล่าวยืนยันในข้อปฏิบัติของตนอันหนึ่งเจ้าทิฏฐิเป็นผู้พูดยืนยันในธรรมะอันเป็นทางของตน พึงเห็นใครอื่นว่าเป็นพานในเพระทิฐินั้นเจ้าทิฏฐินั้นกล่าวบุคคลอื่นว่าเป็นพานมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำมาซึ่งความมุ่งร้าย อธิบายว่าอันหนึ่งเจ้าทิฏฐิเป็นผู้พูดยืนยันในธรรมะอันเป็นทางดําเนินของตนก็กล่าวยืนยันในสิ่งที่ตัวเองทาอ่ะนะว่าธรรมะทิฏฐิปฏิปทามัจชื่อว่าทะเป็นทางดําเนินของตนเป็นผู้กล่าวยืนยันกล่าวมั่นคงกล่าวแข็งแรงกล่าวเที่ยงแท้ในธรรมะอันเป็นทางดําเนินของตนคําว่าทิฏฐินั้นก็พึงเห็นใครอื่นว่าเป็นผ่านในเพราะทิฏฐินั้นความว่าพึงเห็น แลดูตรวจดูพินิษพิจารณาไครครวนโดยความเป็นพานเลวสามต่ำชตาสกปรกต่ำต้อยในเพราะทิฐิคือความควรความชอบใจในลทัทธิของตนเพราะฉะนั้นเห็นใครอื่นว่าเป็นพานในเพราะทิฐินั้นเจ้าทิฐิกล่าวบุคคลอื่นว่าเป็นพานมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดาพึงนำมาซึ่งความมุ่งร้ายเองก็าการดูหมิ่นคนอื่น น, นะก็เท่ากับ มุ่งร้ายตัวเองอะนะว่าเจ้าที่ถิ่นั้นก็กล่าวบอกพูดแสดงแถลงอย่างนี้ว่าบุคคลอื่นเป็นทานนะคนอื่นเนี่ยโง่เลวซ้มตำช้าสกปรกตำต้อยมีความไม่หมดจดไม่หมดจดวิเศษไม่หมดจดรอบไม่ขาวเป็นธรรมดาพึ่งนํามานํามาพร้อมนํามาถือมาพร้อมชักมาชักมาพร้อมถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งความทะเลาะความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาทความทุ่มเถียงด้วยตนเองแท้ ถ้าเราว่าคนอื่นโง่เขายอมไหมจริงๆนะโดยใจจริงๆจริงๆเขายอมไหมว่าคิดว่าเขาคิดว่าเขาโงา่เพราะฉะนั้นถ้าเราว่าเขาโง่ก็แสดงว่าเราสร้างเพราะนี่ดูหมิ่นคนอื่นการเหยียดยามคนอื่นเท่าไหร่ก็สร้างศัตรูเท่านั้นเพมีใครอยากต่ําบ้างอ่จริงไหมไม่มีใครอยากต่ําไม่มีใครอยากเลวอันนี่ยการดูหมิน่นการตําหนิคนอื่นเนี่ยนะก็เท่ากับว่าสะสมไอ้การตําหนิมาเหมือนกัน่นี่ยนะ เจ้าทิฐินั้นตั้งอยู่ในทิฐิที่ตกลงใจคือทิฏฐิหกสองเนี่ยนะตั้งอยู่ในทิฏฐิคือข้อปฏิบัติของตัวเองอย่างนี้แล้วก็นับถือเองนะนับถือเองแล้วยึดมั่นอ่ะนะตั้งอยู่ในละทิก็ชมตัวเองอ่างั้นเน่ยนับถือตัวเองย่อมถึงความวิวาทในข้างหน้าในโลกชันตุชนละทิฐิที่ตกลงใจทั้งปวงไม่ทําความบาดหมางในโลกเนี่ยนะคือพวกที่ยึดมั่นในทิฐิก็นับถือตัวเองใช่ไหม แล้วก็เที่ยวทะเลไปเนี่ยนะยึดถือนะสมมติถ้าใครยึดถือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตัวเองนะถ้าทิฏฐิอันนั้นเนี่ยแล้วเที่ยวไปนะไปตามสำนักต่างๆเหอะจะไปทะเลาะกับเข้าทั่วไปหมดอ่ะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนลทัทธิของเราเลยนะแล้วเราเดินเข้าค่ายต่างๆต่างๆไปทะเลาะกับทุกค่ายเพราะเราก็เป็นเราอ่ะเราจะไม่คิดเหมือนคนอื่นหรอกเนี่ยนะ อธิบายว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจนับถือเองแล้วความว่าทิฏฐิหกสิบสองเรียกว่าทิฏฐิที่ตกลงใจเจ้าทิฏฐิตั้งอยู่ตั้งอยู่เฉพาะถือยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิที่ตนตัดสินใจแล้วชื่อจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจคำว่านับถือเองแล้วความว่านับถือตรวจเองแล้วว่า ศาสดานี้เป็นสัพพันญูธรรมะนี้อันศาสดาเนี่ยตรัสดีแล้วหมู่คณะนี้ปฏิบัติดีแล้วทิฏฐินี้เป็นทิฐิเจริญปฏิปทานี้เป็นอันศาสดาบัญญัติดีแล้วมรคนี้เป็นมรนําให้พ้นทุกข์ฉะนั้นจึงชื่อว่าตั้งอยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจแล้วก็นับถือเอาเองนะนับถือมันอ้อแน่ละไม่ผิดแน่นะไม่ผิดนะนะมีโยมคนหนึ่งเขาถามผู้การผู้การข้างนี้ไม่ผิดแน่นะนะอายุมากกันแล้วนะประ ไม่มีเวลาแก้ไขแล้วนะเหมือนะนักขับพวกกนันโยงมัมาถามพวกกันพวกกนันแน่นะนนนนนก็คือก็คือคนเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยแหละชันตุชนอ่ามนุษย์เทวดานั้นทั้งหมดชัน้นชันตุชนก็คือมนุษย์เทวดานั่นแหละ